Book 2 <23. S 3> <23. S> 2ยี่สิบสามดการเรียนภาษาต่างชาติอุชิสัตสุเ zie ยาซิกิคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะกึเจสลิโปียลส k ี คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะค่ะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะดฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมาก lim ันค e ดว่า r ุ t พูดได้ดีมาก ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมากเยร์ยาซิคิซูซิดอสต์ปอบดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดีโรซูเม e อมดอบแต่การพูดและการเขียนมันยากอะเลโรสปร้าวจ์อะพี j e ตเยจัสเ่ดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก เราบีมเฉยๆเวลย์อาชีพทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะดีม i อภิปรายเจ็บร้องซิมการออกเสียงของคุณดีมากคุณมีสำเนียงนิดหน่อย m ้าเชสลับีพรีสบุ๊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 คุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ OMENTÁLNĘ ดิฉันนึกชื่อนังสือไม่ออกค่ะดิฉันลืมไปแล้วค่ะ Zabudol som to.